วิธีเจริญสมาธิดังได้กล่าวแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมอาจใช้สมาธิเพียงขั้นต้นที่เรียกว่าขณิกะสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมตามหลักวิปัสนาและสมาธินั้นก็จะเจริญขึ้นไปกับการเจริญวิปัสนาด้วยอย่างไรก็ดี แม้ว่าสมาธิที่จเจริญขึ้นไปด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ในที่สุดจะมีกำลังพอที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติบรรลุผลที่หมายของวิปัสสนาคือความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ประจักษ์แจ้งนิพพานได้ก็จริงแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะให้ได้ผลสำเร็จทางจิตที่เป็นส่วนพิเศษออกไปคืออภิญญาขั้นโลกีต่างๆมีอิธิปาิหารเป็นต้นนอกจากนั้นการเริ่มต้นด้วยสมาธิที่ยังอ่อน ก็เหมือนคนเดินทางที่มีกำลังน้อยไม่แข็งแรงทำให้มีความพร้อมในการเดินทางน้อยลงแม้จะหวังไปค่อยๆเสริมกำลังข้างหน้าก็สู้คนที่เตรียมพร้อมเต็มที่ไปแต่ต้นเริ่มเดินทางด้วยความมั่นคงไม่มีห่วงกังวลเลยไม่ได้ยิ่งถ้าปัญญาไม่เฉียบแหลมอีกด้วยก็ยิ่งยากลำบากหรือปัญญาแก่ไปบางทีก็พาให้ฟุ้งซ่านซะอีกดังนั้นจึงเกิดความนิยม ที่จะฝึกพัฒนาเน้นหนักด้านสมาธิให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนไม่มากก็น้อยแม้จะไม่หวังเอาผลสำเร็จทางด้านพลังจิตถึงขั้นริษัทอภิญญาอะไรแต่ก็พอให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรในการเจริญปัญญาต่อไปเรื่องที่ว่านี้ถ้ามองดูความเป็นไปในชีวิตจริงจะเห็นชัดยิ่งขึ้นคนบางคนถ้าอยู่ในสถานที่มีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อยหรือมีคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมา จะทำอะไรที่ใช้ความคิดไม่ได้เลยที่จะใช้ปัญญาพิจารณาอะไรอย่างลึกซึ้งเป็นอันไม่ต้องพูดถึงแต่คนบางคนมีจิตแน่วแน่มั่นคงดีกว่าแม้จะมีเสียงต่างๆรบกวนรอบด้านมีคนพลุกพล่านจอแจก็สามารถใช้ความคิดพิจารณาทำงานที่ต้องใช้สติปัญญาได้อย่างปกติบางคนมีกำลังจิตเข้มแข็งมากแม้อยู่ในสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นหวาดกลัว ก็ไม่หวั่นไหวสามารถใช้ปัญญามองการและคิดการต่างๆอย่างได้ผลดีดําเนินชีวิตได้อย่างปกติดังมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้านโปเลียนที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสทรงมีพลังจิตสูงทรงประสงค์คิดเรื่องไหนเวลาใดก็ทรงคิดเรื่องนั้นเวลานั้นไม่ทรงประสงค์คิดเรื่องใดก็ไม่คิดเรื่องนั้นเปรียบสมองเหมือนมีลิ้นชักจัดแยกเก็บเรื่องต่างๆไว้เป็นพวกพวกอย่างมีระเบียบ ชักออกมาใช้ได้ตรงเรื่องตามต้องการแม้ทรงอยู่ในสนามรบท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดกึกกร้องเสียงคนเสียงม้าศึกวุ่นวายสับสนก็ทรงมีพระกิริยาอาการสงบคิดการได้เฉียบแหลมเหมือนในสถานการณ์ปกติหากทรงประสงค์จะพักผ่อนก็ทรงบรรทมหลับได้ทันทีต่างจากคนสามัญจำนวนมากที่ไม่ได้ฝึกเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอย่าว่าแต่คิดการใดๆเลย แม้แต่เพียงจะควบคุมจิตใจให้อยู่ที่ก็ไม่ได้มักจะขวัญบินใจไม่อยู่กับเนื้อตัวตื่นเต้นไม่เป็นกระบวนเรื่องเล่านี้แม้จะยังไม่พบหลักฐานแต่ในกรณีทั่วไปทุกคนก็คงพอจะมองเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างคนที่มีกำลังจิตเข้มแข็งกับคนที่มีใจอ่อนแอเรื่องพระเจ้านโปโปลีนที่เล่ามานั้นก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เลย หากเทียบกับตัวอย่างในคำภีเช่นอาลาระดาบทกาลามโคต ร, ระหว่างเดินทางไกลนั่งพักกลางวันอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งมีกองเกวียนประมาณห้0อยเล่มผ่านไปใกล้ๆท่านก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเสียงกองเกวียนนั้นเลยพระพุทธเจ้าคราวหนึ่งขณะประทับอยู่ณเมืองอาตุมามีฝนตกหนักมากฟ้าขนองเสียงฟ้าผ่าครื้นครั้นสนั่นไหว ชาวนาสองพี่น้องและโคสี่ตัวถูกสายฟ้าฟาดสิ้นชีวิตใกล้ที่ประทับพักอยู่นั่นเองพระพุทธเจา้าทรงอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบไม่ทรงได้ยินเสียงทั้งหมดนั้นเลยมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งในอังคุตรนิกายทุกกานิบาทตรัสว่าผู้ที่ฟ้าผ่าไม่สะดุ้งก็มีแต่พระอระหันต์ะขีนาศช้างอาชาไยม้าอาชาไยและ พยาสิรราชในหมู่คนสามัญกำลังใจกำลังปัญญาความแน่วแน่มั่นคงของจิตก็ยังแตกต่างกันออกไปเป็นอันมากสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งกำลังความมั่นค ง, งของจิตก็ไม่มากกำลังปัญญาก็ไม่เฉียบแหลมนักอาจารย์ใหญ่มากหลายท่านจึงเห็นว่าถ้าไม่เตรียมจิตที่เป็นสนามทำงานของปัญญาให้พร้อมดีเสียก่อน โอกาสที่จะแทงตลอดสัจธรรมด้วยโลกุตระปัญญาย่อมเป็นไปได้ยากยิ่งท่านจึงเน้นการฝึกจิตด้วยกระบวนสมาธิภาวนาให้เป็นฐานไว้ก่อนจเจริญปัญญาอย่างจริงจังต่อไป